<c oughs> ได้ยินได้ฟังเอาวไว้ด้วยจากคิดทางคนเื่นบอกเราเห็นริงที่ผู้อื่นบอกเราเป็นผู้เห็น <c oughs> คนผู้ที่บอกก็เห็นเช่นกันเรว่าทาง อย่างพระพุทธเจ้าสอนพวกเรามีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้กำหนดรูปอย่างนี้ถ้ารูปมาไม่เที่ยงรูปคือกายนี่เป็นมหาภูติรูปรูปวันที่สองคืออุปทายูปุานยืด ในเสียงก็เป็นรูปในรสก็เป็นรูปในกลินก็เป็นรูปอารมณ์ก็เป็นรูปต่เป็นมหาภูติลูปจะเป็นอุป t h ยรูปกวามไม่เที่ยงทั้งนั้นรูปไวรูปเป็นไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเป็นอย่างนั้น จิงใดไม่เที่ยงสิ่งไดไม่ใช่ตัวตนสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ไม่ควรยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราให้รู้เอาไว้จะเจอจะเห็นเอวันหนึ่งในวันใดวันหนึ่งชั่วโมงใดชั่วโมงหนึ่งก็ได้ถ้าเราเจอเราเห็นเราเราก็ ลูลงหน้ามาโอ้มันเป็นอย่างนี้จริงจริงแมันก็ไม่เที่ยงอย่าประยึดเอาว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นทีใดก็ขี้หน้าลงไปว่านี้คือความไม่เที่ยงนี่ความไม่ใช่ตัวตนจิงไตไม่เที่ยงจินนั้นเป็นทุกจึงไตเป็นทุกยิ่งไม่ใช่ตัวตนขี้หน้าลงไปให้เห็น กนเดิมบอกเราเป็นผู้เห็นนี่คือการศึกษาคือทะลุงลู่แล้วลู่ล่วงหน้าแม่แต่มักนให้ผ่านก็รู้ล่วงหน้านาโลกก็รู้ล่งหน้าสวรรค์ก็ล่วงหน้าได้อะไรที่เป็นความทุกข์ อะไรที่เป็นความร้อนนั่นเลยว่านาละกานาลกมาในลูกมาในเสียงมาในกลิ่นมาในรสมาในอารมณ์อะไรที่มันทำให้ร้อนทำให้ทุกข์นั่นเรียกว่านาลกจะเว้นได้แล้วปลงไม่ตกนาลกได้ด้วยแล้ว อะไรที่เป็นทรไมเหตุเกิดทุกข์รูปแม้กิตั้งเหตุมาเกิดหลงนี่รูปโล่ลงหน้าสวรรค์คืออารมณ์อสวรรค์คื อ, อความชอบความดีความสุขไม่อารมณ์อายตนะทั้งหกตาหูจมูกเล้งกายใจตาก็เห็นรูปที่ บัญญัติว่าชอบหูก็ได้ยินเสียงที่บร ญ, ญัติว่าชอบพอใจจมูกเล่นกายใจให้รู้จักดองหน้านี่แค่เป็นสุขลมที่ชอบเป็นสุขดูไว้ก็ได้อย่าหลงเมื่อหลงทุกข์แล้วก็หลงสุขด้วยมาหลงสุขก็หลงทุกข์ด้วย นี่มันตกอยู่ในความไม่เที่ยงเช่นการตอนนี้ผานก็เย็นเวลามันร้อนเย็นลงมันมีอยู่หวามร้อนหวามเย็นในโลกนี้มีแต่ความร้อนถ้าไม่ร้อนก็เย็นเท่าั้นเอง ถ้าไม่เย็นมันก็ร้อนมีเท่านี้ในโลกนี้อะไรก็เป็นคู่ในความไม่เที่ยงอะไรวัตถุสิ่งของต่างๆในโลกนี้ตกอยู่ในความไม่เที่ยงตั้งนั้นร่วงหน้า <c oughs> ใช่ได้เอ็นเครื่องมือ เราลงนาะความไม่เที่ยงเมื่อเกิดความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแก่เราเรารู้มาก่อนนี้คือความไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้เราก็รักอะไรที่นึกว่าของเราแต่ของที่เรารักจะเป็นวัตถุก็ดี เป็นคนก็ดีเป็นลูกก็ดีเป็นนามก็ดีอ่นะเมื่อมันตกอยู่ในความไม่เที่ยงแม่จะเป็นวัตถุเจ้าของมันก็ไม่ใช่ของเรามันมีได้เป็นได้ในความไม่เที่ยงนลก็ลูกลูกหน้าหน้าหนามันไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเป็นอย่างนั้นจากเราไปแล้ว ความไม่ควมเป็นทุกข์มีความเป็นทุกข์ก็มีความไม่ใช่ตัวตนก็มีมาเพิอมกันหมดบอกหมดตอบเครื่องที่จุดเลยไม่ความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในความไม่ใช่ตัวตนเปอันเดียวกันพูดอันเดียวพูดพอเห็นสิงทั้งสามนี้ก็อันเดียวกันหมดตอบไปได้หมดเลย เป็นหมูเป็นกลุ่มไปเรียกว่าสามัรลักษณะเสมอกันหมดในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในความไม่ใช่ตัวตนนี้เหมือนกันหมดทุกสรรพสิ่งในโลกนี้จะเป็นภูเขาต้นไม้แม่น้ําดินฟ้าอากาศเป็นโลกโอกาสโลกคือแผ่นดินแผ่นฟ้า อากาศสังขารโลกคือสิ่งที่มันครอบงำในในทุกอย่างอยู่เป็นการไม่เที่ยงอยู่อยู่ในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นอย่าหลงถ้าหลงจะเป็นทุกข์เป็นโทษ บางทีเอาชีวิตไปห้อยไปเขียนไว้กับความรักในความรักก็ไม่เที่ยงแม่แบบเป็นรักอันอื่นเชิงอื่นไปห้อยไปแขีนไว้ ก, กับวัตถุเชิงอื่นผู้คนอื่นยิ่งมันไม่เที่ยงอย่าไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนในความไม่เที่ยงนั้นรู้รองหน้า แต่เกี่ยวกับความไปเที่ยงให้ถูกต้องจะได้เป็นประโยชน์เอาสิ่งที่มันความไม่เที่ยงมาเป็นของที่การศึกษาทำประโยชน์ร่วมกันใ่้เราไม่รูปอาใส่รูปที่มันไม่เที่ยงนี่แหละมาทำความดีมาละความชั่วให้มันใช้งานเพื่อการนี้ เรามีกิจใจที่แต่ก่อนมันไม่เทีย่ยงเมื่อฝึกหัดแล้วมันจะเห็นภาวะที่เห็นภาวะที่ไม่เป็นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นธรรมชาติกฎธรรมชาติในความเกิดในความแก่ บางทีก็เอาความแจ่มาเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่อีกความแจ่ไม่เป็นทุกข์ความเจ็บไม่เป็นทุกข์ความตายไม่เป็นทุกข์นั่นคือศึกษาแล้วรู้แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้จนเหมือนกันความแจ็เมื่อจนความเจ็บก็เป็นทุกข์เมื่อจนความเจ็บก็เป็นทุกข์เมื่อ จนโตความตายก็เป็นทุกจึงมีทางออกแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่สะการเกดเิดเจ็บตายนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ควรรีบด่วนชีวิตของเราเนี่ย มันมีทางเดวกานุษย์เป็นจัดประเสริฐให้เห็นแช่งหาคำตอบเฉลยได้ด่างพระชิตัฐาเนแต่อายุหนึ่งปีที่หกหนึ่งพระชนอายุหนึ่งถึงสิบหกพระชนบรรษาเนี่ย พื่ราชาสั่งพกนค่อยๆถกแล้วพูดภาษาบ้านเราก็ตั้งแต่อายุหนึ่งปีถึงสิบหกปีไม่รู้เรื่องความเจ็บความเจ็บความตายจนอกประภาสกรุงกบินละพาสไปเห็นเรื่องนี้เข้าอยู่ในแต่พระราชวางังหนึ่งปีที่ิหกปีเนี่ย มีแต่ของดีๆอะไรก็งดงามไปหมดเรื่มรละยุบรละย่ำไปหมดุูคนก็มีแต่ความสวยๆงามงามสนมกับนานในเอาออกประพาสราชโรดกุมภิลาพัสเห็นมันเกิดคนเจ่คนเจ็บ ค, คนตายเห็นจำนาเนี่ย ก็เลยถือว่าเป็นการบ้านรีบด่วนหาคำตอบตรงนี้อันอื่นไม่เกี่ยวหาคำตอบตรงนี้ให้ได้จนเห็นชมณะเห็นว่าเป็นทางหนึ่งที่จะต้องศึกษาเรื่องนี้ได้ถ้าเป็นกษัตริย์ของบ้านของเมืองเนี่มยมันจะไม่มีโอกาส ไปออกเอาเพศนักปวดเป็นอุบายแล้วก็ไม่ใช่เหตุเฉยทาลงไปจริงๆอาอยุระจนาอายุยีบเก้าพรรษาตั้งแต่จมุกพรรษายี่พรรษาเนี่ยคิดเรื่องนี้กันจนรอไม่ได้แล้วตาอวง้นเกิดมา ก็ยิ่งหนักแป ด, ดเข้าไปลักพิมพาเรียไม่พอลัอกแล้วหุนอีกมันค่องไ้โผลมากไปก็เห็นตัวเองว่าไว้ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเหมือนกันพิมพาก็ต้องต้องแก่ต้องเก็บต้องตาย ลางวนที่เกิดใหม่ๆก็ต้องเจ็เจ็บตายเหมือนกันก็ เ, เลยรับผิดชอบเราเนี้ออกบวชดศึกษาเรื่องการเกิดเจ็บเจ็บตายเนะี่ยทิ้งพระราจะสับสินจะดึองคายออกจากพระราจะหวังประสานสามเล่หดูเพื่อเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่ออวดดาง ไม่ใช่เพื่อพิธีดีตงรงอะไรเพื่อศึกษาเรื่องนี้กันการศึกษาเรื่องนี้มันก็ค่อยสะดวกใยก่อนมีเจ้าหลั่งิมีหรือสีขีไยคิดถึงแต่เจ้าหลั่งิอาจารย์ อุตตกาดาบทก็ไปเห็นเหมือนกับว่าลองดูเพราะก็ทําละนี้อุตตกาดาบทอาลา ด, ดาบทไปเรียนศึกษาอยู่กับอาจารย์อุตตกาดาบทตามตำลาบอกว่าได้ฌานสมาธิเกดไม่พอใจ ชาดคือการเผาเพ่งเพ่งเพ่งเผาชาปนะเพ่งเผาเพ่งเผาอะไรเรามีไปงานชาปนกิตรนี่เพ่งอะไรเผาอะไรชาปนิก <laughs> <laughs> ิตระเผาอะไรชาเนะงานชาปนากิตรในวันที่เทอนนั้น คนพ่อนั่นคนแม่นั่นหลวงพ่อองค์นั่นหลวงชาปนะคือเพ่งเผานะเราก็เรียกเชาชาปนะตอนนั้นมันมาจากควชาปนแต่ก่อนคือเผาดาบทดอุตตรการาบทก็เผางมมุมชาวสองไม่มีใครสอนเดียนรู้โดยตนเองนิ่งได้ กดทับไปไม่ให้มันกระดูกกระดิกทนไว้อดไว้อะไรที่มันเกิดขึ้นมาไม่วิ่งตามมันในกิเลสตัณหาราคะโทสะไม่วิ่งตามมันกดทับทับไปนั่งทับไปเหมือนก้อนเห็นทับชาไปหน้ามันก็ม่เกิดจริง แต่ว่าความรู้สึกที่มันยังมีอยู่ยังไม่อยู่ง่ายพอใจไปหาอุตตารดาบทอาลาตราบทอีกอาจารย์ที่สองได้ฌานสมบัติแปดตั้งแต่วิตุกวิจาร์ปิติสุกเอกตา วางไปวางไปวางไปอันนี้เป็นคำพูดนะหมายถึงมันอยู่ในกิตใจของผู้หนึ่งที่ต้องฝึกฝนตนเองมีเหมือนกันแม่แต่เดี๋ยวนี้ก็มีวิตุกตึงขงึงตึงตกตองคิดนะาะอต่างๆท่องเที่ยวตกไป วิจารณ์ก็พิจารณาไป้ปัญญาได้สติด้เห็นความหลงความรู้ด้เห็นความสุขความทุกข์ท่องเที่ยวไปกับวิจารณ์เลบางทีก็ได้เห็นสิงที่เราได้ยินในขณะที่บำเพ็ญไปถึง ปิติบางทีก็มีเหมือนกันมีไหมปิติยิ้มใจสุขใจน้ําตาไหลซึืบอมากสงสารตัวเองบ้างบางโอกาสที่ไม่ค่อยจะได้ช่วยตัวเองเวลามันหลงปล่อยตัวหลงปล่อยความหลงคอบงมเ่าต่อมาลู้จึกตัวโอ้ะเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ได้ก็มีปิติบ้างมี ผงานบ้างทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างบันทีก็ง่ายง่ยันทีก็ยากอารมณ์เกิดขึ้นกับใจกับใจเรามีสุขบ้างมีปัญญามากจนในที่สุดไปถึงสมาบัติแเวทยิทธินิโร นึ่งไม่ไม่พูอีกแล้วไม่พูอีกแล้วแต่ที่จริงมันโลกไปยินดีกับภาวะที่ไม่หลงต่อภาวะไม่มีไม่เป็นอะไม่ใช่อันให้ไปยินดีอยู่ตรงนั้นแต่ว่าไม่มีไม่เป็นไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่ใช่ไปอยู่ตรงนั้นมันเห็นความไม่เป็นอะไรอะไรเข้าไปเอ ถ้าไปเป็นไม่เป็นนมีไม่เป็นอะไรไปอยู่ตนเราเองมันก็ไม่ใช่หรือ ว, ว่าเวทายุทินี้โลดมันต้องมีสติเสริมเข้าไปตัวนันด้วยแต่ติี่ไปเสริมต น, นไม่ใช่สติตั้งแต่ตนนะมันเป็นความคมมันเป็นความชัดเจนอันนี้ เพียงแต่เวียิธิธนนโลธหนึ่งอันนั้นสงบไปเลยบางคนบางโลกพระบางโลกเป็นหกปีเจดปีอยู่ลักษณะแบบนี้เนื่องาตัวองหมดกิเลสตัณหาเหมือนพระสมัยก่อนไปจำพมรษาในที่ แยกออกไปจากผู้เจ้าห้าลูก ป, ปล่อยปฏวบัติธรรมในป่าในเขาไม่พูดบรรจากันเลยต่างคนต่างปฏิบัติธรรมต่างคนต่างหมดกิเลสเงียบยิ้มกลับมาเป้าพู้เจ้าผู้เจ้าถามปัญหาต่างๆ ว่าไม่พูดไม่จากันพากันอยู่ไงอยู่กันทนตัวใครตัวมันตอนนั้นก็ไม่ป่าชาผีดิบเอาอรซากศกผู้หญิงสวยๆมาทิ่งไว้เป็นป่าชาผีดิบใหม่ๆพากันไป <c oughs> ป่าชาไปดูศพผู้หญิงค่อยกลับมา ว่ากันไปดู เ, เห็นทศราโสกผู้หญิงสาวสดสดเกิดความปื่นขึ้นมาจึงเระเจ้าก็ไม่ถามอะไรใช้สดดูมันเป็นไงบุรุษก็ต้องมีสติสติก็ต้องมีบุรุษเกิดโคกันเหมือนพระเจ้าว่า พลังจันโทพลังสุริโยพลังเวลาสมุทตสัพัลติพัลมิติโยอาทิตย์พระจัณฑ์ฝังการเวลาฝังทะเลมีกำลังทางนั้นแต่สติที่ในที่ในคนในมรษย่อมมีกำลังยิ่งกว่าเหล่านี้นอมรดก็มีกำลังของสติมากกว่าต่ออาริตภัณฑ์ ห้าโลกที่ว่าตัวเองบรรลุพระลานนะเจ็บจ้อยไปเลยเลยต้องไปปฏิบัติธรรมอีกต่อไปเห็นแล้วองไหก็อุ้ ย, ยเหมือนศิลาทับย้าสชัยหก่อนพ อ, อาย้าออกพ อ, อา ห, หินออกก็ง อ, อกอ่านี่ว่าฌานนะฌานาแต่ฌานอันเผาศกมันไม่ไม่งอกนะ กาจุยไปเลยต้องเอาไปลอยอังคารอันชาญแน่ถ้าไม่ Ä, ถ้าไม่เหนือเมฆยังไม่เมฆอ่ะต้องเหนือไปพระเจ้า菩萨สิทธาถ่าจึงหนีไปขณะที่ไปอยู่กับอาจารย์ทั้งสองก็ยังมี คิดถึงพิมพาลาหุนคิดถึงพระราชจิตรับจินจเดืงการไม่พอใจเอาตัวเองเป็นเกณฑ์เลยตัเดียวอะไรที่มันถูกต้องยังไม่แก่ในความรักแก่ในความชังแก่ในความจบความตกยังไม่เกิดอยู่เกิดอยู่เกิดอะไรที่มันจะเหนือการ เ, าเกิดเกิดเจ็บตายเป็นประเด็นเข้าไป เป็นโจดฟ้องตัวเงออาไปะอันนี้หลังตาพวกไปสามภาษาไม่ได้ศึกษาพูดตามความรู้สึกเล็กๆน้อยๆเราจะเป็นทุลีอยู่พูดเจ้าเพียงทุลีเด็กๆมาอยู่ในหัวใจแนละ้วทูดได้ ไม่ใช่ว่าจะไปรู้ยิ่งจริงอะไรมากๆเออออกไปอยากอาจารย์ทั้งสองอาจารย์ทั้งสองขอล่องมาอยู่ด้วยเพื่อสอนคนเด่นว่าเก่งแล้วเลียนแค่เดียวไม่อยู่เลยจึงจากตรงเขาชิลิย้อนลงมา บ้านนางสุชาดาน่ะสีมหาโูมาบำเพ็ญทางกิดมันเหลืออยู่เนี่ยอะไรก็มันเหลืออยู่เนี่ยกิดเนี่ยจะเอาละบบนเนี่ยใบยญ้ า, าขาจากโสดทิยาพามมาปูนั่ง โศตายแลววันตัดทิใจตายเป็นตายจะไม่ลุกจะไม่หนีจากที่นี่เมื่อไม่ได้บรรลุธรรมชั้นที่พอใจจะไม่ลุกไม่หนีจากที่แม้นว่าเมื่อหนังกระดูกจะ้วพังไปกคนตามขนาดไหนตัดทิงใจนั่งจะไม่ลุกดูสิขนาดไหนถ้าโ พ, พที่จัด ต้องสละถึงปานนั้นนะจึงใจจิงจังกับการกระทำของตนเองไม่ใช่ทำอะไรนะเป็นความคิดที่เน่วแ น, น่ไม่คืนเหมือนเพนเดินหกจนถึงจะสะ่างแสงเงินแสงทองเห็นเรื่องนี้ทุบทนไป ตั้งแต่มีสติเห็นกายกายสภาวะกายง่ายๆเพราะว่าองค์ได้ผ่านมาแล้วเดทนาสักวะเดชนาจิตสภ า, าสวะจิตธรรมสภาวะธรรมไปเรื่อยๆไปอันนี้ปัญเนี่ยงั้นก็เราทําอย่างไยสูตรเนี่ยสูด ต, ตัดทะลุนะเนี่ยไม่ใช่ของเล่นนะที่เราทำอยู่นะสูดรแห่งการตัดทะลุนะเห็นกาย มาให้เห็นโช้ปึ๊บขึ้นมาเจตนาโช้ขึ้นมาแต่ก่อนไม่มีจิตก็โช้ขึ้นมาทำก็โช้ขึ้นมาเห็นเอา้าจนลู่ไปลู่ไปลู่ไปลู่ไปลู่ไปเราทวนกลับมาทวนกลับมาลู่ไปมันเชี่ยวเหมือนเชี่ยวเหมือนเขา ทำอะไรที่มันเฉินแล้วก็ดูอีกรอบรอบรอบรอบรเพราะนช่างตัดผมแต่เมื่อก่อนน้องตาเคยเป็นช่างตัดผมพอตัดผมตัดเฉ็จแล้วก็ดูด้านข้างด้านหลังด้านหน้าดูข้างบนรับกลับไปด้าแล้วกับลูกของศีจัดกับสงของตกต่างต้ น, นต้นเอา บีมาบีลงโูลูบอย่างไรมันเห็นไหมช่างตัดป้องอดทีก็ลูปลงบางทีก็ลูปขึ้นบางทีก็เออแต่งตัวใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก็เสริมสวยให้ชอบเสริมสวยใหอะไรที่มันดีกว่าเก่าชอบทำเน่เดี๋ยวนี้ก็ชอบทาสุดท้ายคือจะตกแต่งเมื่อใจจะขาด แต่นั่นนะใจขาดแล้วจะตกแต่งอีกจะให้มองไม่น่าเกลียดใบหน้าเดี๋ยวนียอันนี้คือทําให้ดีกว่าก่ตกแต่งได้จริงๆบางคนปล่อยคนตายนอนท่าทางมันก็ดีใบหน้าม่ค่อยสวยแต่งใบหน้าขณะที่ตายแล้วมันแต่งได้นะ ตีกว่าที่ยังเป็นเนอยู่นะเป็นๆอยู่มันมีบูดมีบึ้งได้นะเออบางทีเมื่อไหลไขย่อยออกมาอันแต่งเมื่ออันใจขาดแล้วเนี่ยมันอยู่นิ่งเลยนะไม่ไปให้เป็นยิ้มกัยิ้มอยู่ลนะ่ะแต่เอาจับไปช่างหน่อยนะจับไปช่างหน่อยเอาก็ดอดเดช็ดจูจับไปรีดไว้รีดไว้เลยไว้ลียมพี ป, ปาก จับไ้ดีๆน่อยเดียววางมันมันก็จะอยู่อันคนเป็นๆมันไม่อยู่นะบางทีมันเกี่ันไปอนเป็นอวลาคนตายมันไม่ไปนะอันนี้ทำได้บอกมาเถอะนะอ้วนี้ก็อยากดูแลคนตาย ก่อนเป็นไม่ให้เราดูแลมันวิ่งหนีจากเราไปแล้วประกาศทร้างวัดโุกโตมาส0สิบกว่า ป, ปีแล้วนี่ก็กอนนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะ่โอ้ยหายากเจอนี่ไม่ยากนะขึ้นป้ายสถาบันสติปัฐานไปเลยป่าเลยนี่สติอยู่ในร้อยเปอร์เ็น ในข้าวกินข้าวได้มีอุปสิทธิ์กินข้าวได้ร้อยเปอรเซ็นอยู่ที่นี่มีเพื่อนไม่เม็ดนี่พระสงฆ์ก็นั่งอยู่นี่แม่ชีก็นั่งอยู่นี่ญาติโยมก็อยู่น่ะนี่ก็ที่นั่งสมัยพุทธเจ้าบำเพ็ญเป็นพุทธเจ้านะ่อยู่คนไม้อยู่ในถ้าดงข้าจหลี ไปดูนะไปดูดงคาฉิริถ้าดงคาฉิริเหนือเหนือแม่น้ำในหลันชาลาขึ้นไปทางนองจำเล็กๆต้องอบเข้าไปนี่ไม่ต้องหงอบเดินขึ้นบันไดอย่างดีเลยกติอาจารย์ต้มทำให้อย่างดีมีมุ้งรวดหลังกติมีน้ำอุ่นให้อาบมีห้องน้ำให้ใช้ บ้านนั่นก็ยังยังไม่เหมือนสมัยของพเจ้านะพ้าเจ้าโอ้ยสมัยนั้นนะอรหันนี่แต่คนดังดัง อ, อกบวชแต่ไหมคนดังออกบวชอุบารีอนนอนุรุธาเทวธา คร อ, อีะอนคนดังออกบวชอนอ๋อใช่ไหมอุบาลีอานุนรุธทธะเทวทาตุห้าลูกใช่ไหม่รลูกคนดังออกบวชคนไม่ดังมีคนเดียวคืออุบาลีเป็นลูกในช่างกันบกในช่างกัดผมจนอนุน อนูธาอะไรใครเอกเทวทัตใครอีกอันที่ห้าเป็นคนดังไม่ดังคืออุบาลีเป็นลูกในช่างกันบกไม่แช่กริสันานนานลูกก็จั์หมดและไม่รู้อะไรมดกัด ตัวเล็กๆกับเก็บนะอาการบวดก็าเจ้านาคไขออภัยจะเรียกอะไรทุกวันเรียกเจ้านาคแต่ก่อนเรียกอะไรก็ปร <c oughs> ึกษากันให้ใครบวดก่อนใครบวดก่อนต้องเป็น อ, วนอาวุโสนะอนุอรัว่าวาเอวทัตพระ อ, อ, อ่าเราก็เลยว่าเอาให้อุบาลีบทก่อนเราจะมีอุปทานว่าเราเป็นกษัตริย์จะถืออาวาโุโสไหมผอก็เป็นน้อยให้อุบาลีใช่บทก่อนจะได้เป็นอาวุโส เ, เราเป็นพันเต้ไอ้อุบาลีบชก่อนเทวทัศนไปทางไหน วาลีเ ป, ไนไปไ็นยัง ไ, ไงอนนท์เป็นไงอนุทะเป็นยังไงเก่งทั้งนั้นแต่เทวทัตไม่เก่งนะเก่งแบบอิจฉาพยาบาทเก่งแข่งขันกันแข่งขันตะให้ดีกว่าพระพุทธเจ้าจะ แ, แข่งพระุทธเจ้าทำทุกอย่างทำทุกอย่างเทวทัตเนี่เป็นสังกเพศไปเลย มีเหมือนกันนะดังแบบนั้ น, น อ, นนอาอนนวลวารีอนุธายอเยี่ยมเอตตคะเลยอนุธาเอตตคะในทางฌานสมวัตอา น, นอทธาอนรนเนเอตตคะในทางพระโหสูตวารีเอตตคะในทางพระวินัยบัญญัติ ยอดเดี่ยวเดี๋ยวถ้าชั่วคิดผายไปดินสูบเลยเดินสูบอยู่ทางตอนใต้ของเชตร้อนแนละ้วไปเหุไปดูไปขึ้นบ้านของไปไปขึ้นวัดของทิเบตทีิเบตรกร็ไปสร้างวัดใส่ที่ตรงนั้น เราไปขึ้นหลังคาเพดานมองไปเหีวที่เห็นดินสูบเทวทัตย์ยังมีอยู่นะแต่ว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นรูปอยู่เหตุปับันก็ยังมีที่เห็นดินสูบเทวทัตก็ยังมงใกล้ๆอยู่ในเมืองสาวัตถี แล้วก็ทุกวันนี้ไม่ยากไม่ยากเลยที่จะมาศึกษาเรื่องนี้พร้อมจะเป็นเมธเป็นเพื่อนไปสูตรอันเดียวกันกับผู้ที่เจ้าสมัยพงษ์แสวงหาโมกขธรรมมีกายมีสติอันเดียวสติที่เรายกมือยันนี้กับสติอยู่กับผู้เจ้าอันเดียวกัน อันเดียวกันแต่เวลามันหลงก็อันเดียวกันความหลงเดี๋ยวนี้กับคมหลงอยู่กับพระเจ้าอันเดียวกันแต่พระเจ้าเปลี่ยนหลงเป็นู้เปลี่ยนอะไรเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นรู้ทั้งหมดเลยพระเจ้าเดินไปทางไห น, นคนละทางถ้าเหมือนกันหน้ามือกันหลังมือเปลี่ยนอย่างนี้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมมีจิตททุกคนอันชื่อว่าคนแล้ว ไม่ใช่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนโชคนแฉ่บวชหรือไม่บวชไม่เกี่ยวอันนี้เราเป็นบัญญัติสมมุติบัญญัติมีนักบวชเพื่อความสะดวกเราบวชมาเพื่อสะดวกในการปฏิบัติธรรมแั้ก็สะดวกเริงๆยี่วรก็คนหามาให้จ่าลาที่อยู่คนมาสร้างฮห้อาหารก็มีคนบานธรามให้ <c oughs> อย่ารักษาโลกก็มีผู้โอ้ให้โอกาสนี่คือนักฟวดเมืองไทยไม่มีประเทศไหนสัดวกเท่ากับเมืองไทยเราจะจะไปเกิดู่แผ่นดินหนจะไปอยู่ที่โลกไหนนี่เมืองไทยนี่พุทธศาสราเมืองไทยนี่คือคนไทย หน้าโูมใจนี่คื อ, อคือชาติชานาพระมหากษัตริย์เป็นเป็นของคนไทยเนี่ยนี่คือไม่เสไม่ลังบาหน่าจะศึกษาเรืนี่ก่อนเอืน่นใด หาคำตอบเรานี่เฉลยให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปแต่ไปไหนมาไหนก็ไม่เป็นไรตามหน้าที่ของตนเองไปเป็นสามีพันญาก็ได้อ่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อโลกต่อโลกต่อหลังไม่เป็นไรจะเป็นนักบวก็ได้จะเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นเด็กเป็นเล็กก็ได้ มีสมัยก่อนสังกิจจาสมเนร์เนี่ยตัวเล็กๆ เ, เป็นพระหลานอันราวหนก็เป็นพระหารัานแต่เป็นแนรนนนี่คือคีวิตของขนสมัยกลางพุทธกาลกับเดี่ยวีิอันเดียวกันมีกายมีเวชนะมีจิตมีธรรมมีรูปธรรมนามธรรมมีสินสมาธิปัญญาอันเดียวกัน กุศลแต่ดเดียวกันอากุศลก็เดียวกันกุศลคือความดีอาศัยได้อกุศลความชั่วอาศัยไม่ได้มันยังมีอยู่นะแล้วเนี้แต่ถ้าเรามารู้เรื่องนี้เขามันจะไม่มีอกุศลมีกุศลเกิดขึ้นมาแทนแล้วก็ยอยู่กันในความสงบ่มเย็นกายบรรทุจริตทาชั่ว กายมันสุจริตทำดีนะมันก็มีที่กายไว้กี้สุจริตพูดเท็จพูดชั่วไว้ชี้สุจริตพูดสุภาสิตมีแต่ถูกต้องม้าูสุจริตใจมีแต่คิดชั่วไผบาดปองร้ายเขาเห็นพิจากณ์ตนองของทําม้าโนสุจริตใจ เป็นฉินเป็นธรรมไม่ตากรนาเต็มเปี่ยมมีอยู่ในคนเนะี่ยเราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรมีสติเวลามันหลงรู้หันไปอย่าง น, นีเรียกว่าปฏิบัติธรรมเวลามันโกรธรู้มันมีมันมีเพื่อให้เราเปลี่ยนเป็นดีไม่ใช่มีเพื่อมันมาลอยอยู่ในความชั่วของเรามาพูดเท็จมาพูดคำหยาบ มาเบียดเบียนกันเขียนข้ากันมาคิดเห็นปจากตาหน่งองธรรมมันก็อยู่ในโลกนี่ยแต่ถ้าเรามาเปลี่ยนซะเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปก็เป็นความสบบต่อตอกันไปแล้วเราก็เป็นสัตว์สังคมด้วยน่าจะทำแล้วนี่ให้กระตือรือร้นสักหน่อยมีพ่อมีแ ม, ม, ม, แม่มีพ่อแม่ก็มีลูก มีผัวมีเมียมีพี่มีน้องมันเป็นประโยชน์ต่อกันไม่ใเฉพาะต่อผู้คนหอต่อทุกจึงทุกอย่างในโลกนัเหมือนกับเราตรวจ น, น้ำตรวจน้ำตรวจธรรมดเช่าเสร็จนะอุทิศส่วนกุศลควนุญยาจิตานิจาาจะกะจจะยาลานายานิเมอีโอทิศไป ผู้มีขน เ, เช่นมรดาบิดาเป็นโต้นว่าไปว่าไปสับปะสิ่งทั้งหลายมีขันหน้าขันไม่ขันฮัดเดียวไม่ขันสีขันสามดังท่องเที่ยวไหนผมนอนเขาใหญ่นอกจากนี้ก็ยังมีเม็ดดินเม็ดชาไปทุกสับปะสิ่งมีผมทั้งสามกําเนิดทั้งสี่ ลู่จากไหมผ ม, ม, มั้องสอนกำหนดทั้งสี่ผมั้งสอ น, นสมนนีกําเนดทั้งสี่มีกําเนดทั้งสี่มีมหลงเม็ดดินเม็ดหินแบบกาเนดทั้งสี่ก็เจลาภูชาแล้วว่าได้ไหมไหม่ใช่เจลาภูชาสังเถทิทาชาขันตาชา โอปติกะเหมือนัอธิบียอต้องรู้นะไปเรียนแหมห่เว่จนอยู่ก็งวงงอย่างจอมีพระพุทธเจ้าขเขียนไว้แล้วกำหน ด, ดทั้งสื่รัสามก็คือกมมภูมิรูปภูมิรูปภพกรมมภพรูปภพอ ร, ปพปรปพูปภูมิทั้งสกหนดทั้งสี่ก็เกิดในเจ้าพระพุทเกิดในเท่าไหร เอาใครกันเลยเยอะแยะเลยอะไรที่มีใครมีแผ่นดินมีหนองไม่มีนาำไม่สมบูรเป็นหนองเป็นไช่เดือนเลยอุ <c oughs> ดเลยมีแอมเนิดทั้งใส่ไม่ขันนะกาลังเท่าไรแผ่ไม่ตาไปอเม็ดดินเม็ดหินไปหมดเลยนะอันอยู่ด้วยกันแท้ทไมไมําไมมาโกรธมาเกลียกันอิจฉาไปบ่ากันทําไมน่าเสียดาย ไหนเราเนี่ยถลงทําไมไม่หลงก็ได้ไหนชีวิตเราจะทุกข์ทำไมไม่ทุกข์ก็ได้เมื่อโดยโยบอุิฐานขัดทั้งห้าเป็นตัวทุกข์มีเท่าเนี้รูปอุปทานในความรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอุัตานยึดตัวเนี่ยว่าเป็นตัวเป็นตน ว, วงางฉลอมมันก็ไม่มีอะไรจากร่อนก็เป็นเย็น จากมิจฉาทิฏฐิเป็นสามัญทิฏฐิกันทีเลยนี่พวกเราอยู่นี่สอนกันอย่างนศึกษาอย่างนกันไม่ต้องมาทำที่แบบอื่นมาศึกษาเรืนี้โดยตรงนะนะการศึกษาเรืนี้ก็ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวเกี่ยวกับอันอื่นอีกเยอะแยะเลยเราอยู่นี่ ว่าจะสารนี้อ้าอะไรก็มีอีกเอยแบบปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาหายอยาจากสิ่งดลองจากอะไรต่างๆมากมายศาสนาวัตถุศาสนพิธีศาชนบุคคลศาชนาธรรมนี่สาสนานธรรมคือกนปฏิบัติโดยตรงศาสนพิธีคือพิธีกรรมต่างๆ ญาติโมก็ทำบนำทำดานญาติโยมกันที่หมุนไปโน่นไปนี้มันก็มีสังขารพิธีเกิดเกินคนตายก็เจยวกับพระคนเกิดก็เจยวกับพระคนเจ็บก็เ่ยวกับพระต่สาาังพิธีไปต่ส า, าบรบรรพตุ ก, ก็มีกติฉละดชุดโสมท้องซ่อมท้องเสีอมถ้าไม่ซ่อมไม่เสียมก็ผิดพระเจ้าบอก บอกเอาไว้สอนเอาไว้ตะกูลที่อยู่มั่นคงได้เพราะเหตุสีสถานตะกูลที่มั่นคงอยู่ได้เพราะเหตุสีสถานหนึ่งว่าอย่างไงไม่ขี้ดูจักซ่อมแถงพัชสุติค้าค่าได้ยินบ่สองอะไร แสวงหาพระจรูที่หายไปแล้วคืนมาสองแสวงหาพระจรูที่ยังไม่มีให้มีขึ้นสีวุรุศตีผู้เป็นพู้บ้านแม่เลือนต้องเป็นคนมีสีสีอย่างนี่เจริญไม่เสื่อมตรงกันข้ามกับความเสื่อมอะไร ไม่ซ่อมแซมพัจจุที่ค้ำค่าปล่อยให้สังขารรั่วปล่อยให้บันไดผุพังเดี๋ยวก็ตกไปข้าหักไม่แฉวี่งานพัจจุที่หายไปให้เคืนมามันก็หายไปหมดไปหมดไปหไปพัจจุเที่ยงไม่มีเขาไม่มีอยู่เลยไปจนล่อยไปจนละไ ป, ไปต้องหามากินเป็นต้องขออยันทํางานแต่ไมเป็นเด็กะ่ะ กินข้าวอิ่มแล้วแสบวาบักลาแสบแสบแล้วขี้ข้านเน อ, อไปเลี้ยงควายไปเลี้ยงว่ากันแสบแล้ขี้ข้านเป็นคำพูดที่พ่อแม่ขีย่เ อ, อ่าขยันนะพระเจ้าสอนเลยเราจึงมีการเาสานวาตถุกาตุบุคลบคลเกี่ยวกับคน อคนหนึ่งก็จเจาวันหนึ่งคนหนึ่งจเจ้าวันหนึงคนหนึ่งจเจ้าวันหนึ่งที่มาที่นี่บางทีก็มาถามมาดูหมอมาดูหมอมาให้ผูกเศกเอาอะไรมาได้ไป้เครื่องลายก็มาถวายให้หลวงตาให้ก็ต้องทํา <laughs> มาให้เราให้เ ร, เรามา อ, อกกงกลางลานให้อีกทีหนึง่งเพื่อเป็นมงกอนมาดูหมอตราท้บบุคคล น, นะเว่าเราเป็นพระก็ะจะขอดูหมอดูไม่เป็นอ้นนท่านบวชมาจี่พันษาบวชมาแล้วสิบกว่าพารรษาบวชมาส0พรรษาดูหมอไม่เป็นเหรอ <laughs> แล้วก็ไม่ให้ค่าอะไรไปอันนี้ไปอย่างไม่อะไรบ่อลเอากันที่เป็นพระเป็นสงฆ์ดูหมอผูกเสกใช่เราแบบนั้นให้เราไปสวดตอนสวนนี้นะเดีย๋ยวนี้พระญาติโยมใช่เราเราไม่ใช่เป็นผู้นําของญาติโยมสมัยทุกวันแน่นะเราจึงไม่ไม่ค่อยเจอกับคนนะค่อยที่จะทําให้ทุกใจคนเท่าไหร่ คนก็เลยมาค่อยชอบใช่ถ้ามาดูหมอเรารวยบอกเลขบอกหวยก็รวยนี่เราไม่บอกถ้าของหมอถามก็บอกบอกเอาไมมล่ะเอาาเอาเ อ, าอย่าเล่นไม่ต้องซื้อหวยเขาก็ไม่เอาเลย <c oughs> ก็บอกเหมือนกันใช่ไหมบอกว่าอย่าเล่นอย่าเช่นหวยเขากา็บอกถึงนะอจากได้รวนไอย อยากได้อยากได้แค่บอกเอาไหมฮะอย่ากโกรธนะอย่าโลภอย่าหลงนะถ้าไม่ โ, โกรธไม่โลภไม่หลงก็เป็นบุนะจะหยุดโกรธได้ไหมโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดนี่บอกบุญแต่แท้ไม่เอาถ้าบุญปักพิธีเอาอยู่บอกไม่โกรธไม่หลงเนี่ยไม่เคยเอกหรอกแต่ใครจะทําละบุญตัวไ่ะเอาให้ได้ไหม ต้องทําแบบหลองตาญาติถาจะพีมาเนี่ยสี่ห้าสิบปีแล้วคนยังทะเลาะกันอยู่ย้อถาบรีวหาภูลาวงน้ำที่เต็มย่อมจะสมดจักรให้บุญบุญนะว้าอย่างถ้าเรามาเปลี่ยนอะไะมันหลงรูปปับ๊บมันโกรธรู ป, ม, รรปมันทุกรูปปับ๊บเนี่ยตัวเนี้ยทําบุญทาบุญทําบุญในชาติถคือทําบนนุญตรง น, น, น, น, น, น, น, นี้ที่กาที่ใจ ทำบุญนอกสาสตาสตรอาดีอื่นอัจฉริะธรรมภัธาธรรมภัยธาธรรมทำดีภายนอกจัดดอกไม้ทุกเทียนสวยงามแต่ใจตัวงมันก็จัดไม่เป็นระเบียบเลยเช็งควงอยู่นวนว า, ายสรอัจฉริธรรมคือธรรมภายในภัยธธรรมคือธรรมภายนอกไปจัดภายนอก อชจรธรรมจากตัวให้งาใจงากายงามไม่ชินไม่ทําลบกป็นการจะที่